วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมสวนสวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันที่เราจะมาเติม เชื้อเพลิงเติมพลังให้แก่จิตใจที่จะได้มีพลังที่จะทยานออกจากโลกของการเยืนว่ายตายเกิดคือออกจากไตรภพคือกามภพรูปภพและอรูปภพตอนนี้ใจของพวกเรา ยังถูกกำลังดึงดูดของใจภพคือกิเลสตัณหาต่างๆคอยดึงใจให้ติดอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ในกามภพก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพชนิดต่างๆและในรูปภพและอารูปภพก็คือ ความสุขที่ได้จากการเข้าเข้าฌานในระดับต่างๆความอยากเหล่านี้เป็นเหมือนแรงดึงดูดของโลกเวลาที่จะส่งยานอวากาศออกนอกโลกไปจำเป็นที่จะต้องมีจรวดที่มีพลังมีกำลัง มากกว่าแรงดึงดูดของโลกจรวดถึงจะสามารถที่ส่งยานอาวกาศให้หลุดออกจากรัศมีของแรงดึงดูดของโลกได้จลวนก็จําเป็นที่จะต้องมีพลังมากมีพลังที่จะทะยานขึ้นสู่อวกาศ และสิ่งที่ทำให้จรวดมีพลังที่จะทยานออกนอกรัศมีของแรงดึงดูดของโลกไปได้ก็ต้องมีเชื้อเพลิงก่อนที่จะส่งจรวดหรื อ, อยานอาวากาศนี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ต้องมีการเติมเชื้อเพลิงกันอยู่อย่างเต็มที่เมื่อจรวด มีเชื่อเพลิงเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางออกจากโลกของเราไปได้ใจของพวกเราก็เป็นเหมือนยานอวกาศหรือจรวดถ้าต้องการที่จะให้ใจของพวกเราหลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือโลกของใจพบนี้เอ โลกของกามภพรูปภพและอรูปภพที่ใจของพวกเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานและจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะสามารถเติมเชื้อเพิิงให้แก่ใจของพวกเราให้มีพลัง ที่จะทยานออกจากโลกของใจภพนี้ออกจากแรงดึงดูดของใจภพนี้ได้แรงดึงดูดของใจภพก็คือตัณหาทั้งสามได้แก่การมตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานี่ยเกามตัณหาก็คือความอยากเสพ ตามคุณทั้งห้าคืออยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑอยู่เว้เรื่อยความอยากมีอยากเป็นก็เรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นก็เคยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงาม มีภาวะทันหาก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ทุกข์ยากลำบากความอยากเหล่านี้เป็นตัวการที่ดึงดูดใจให้ติดอยู่ในตายพบในสังสารวัฏในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดลงการที่จะออกจาก ตายภพนี้ไปได้จําเป็นจะต้องมีผู้ที่รู้จักวิธีที่จะทําให้ใจมีพลังให้ออกจากตายภพนี้ไปได้คนนั้นก็คือพระพุทธเจ้านี่เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้วิธีการออกจากตายภพนี้ สัตว์โลกทั้งหลายที่ติดอยู่ในตายภพนี้จะไม่สามารถที่จะออกจากโลกนี้ไปได้เลยจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในสามภพนี้ไปตลอดบางพวกก็ติดอยู่ในกามภพ บ, บางพวกก็ติดอยู่ในรูปภพ บ, บางพวกก็ติดอยู่ในอรูปภพ ไม่สามารถที่จะออกจากตายพพนี้ไปได้ทุกครั้งที่มีการมาเกิดก็จะต้องมีการแกร่การเจ็บการตายไปเป็นธรรมดาซึ่งการแกร่การเจ็บการตายนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีใครอยากจะได้กันเพราะมันเป็นเรื่องของความทุกข์กันนั่นเองแต่เมื่ออยากจะมาเกิดเมื่ออยากจะมาเสพ กามก็ดีเสพรูปประชานรูปประชานก็ดีก็จำเป็นที่จะต้องมาเกิดมามีร่างกายของมนุษย์เพื่อที่จะได้มาหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผธิภัพฑจากการหาความสุขจากการเข้าสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆแต่ร่างกายที่มาเกิดนี้ มันก็อยู่ภายใต้กฎของใยรักของอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะต้องมีการเปลี่ยนไปอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมตามามามีการเกิดก็ต้องมีการตายตามามทุกครั้งไปที่มาเกิดถ้าอยาก จะไม่ต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดก็จาเป็นที่จะต้องหยุดการเวียนว่ายตายหยุดการมาเกิดให้ได้และการที่จะหยุดการมาเกิดให้ได้ก็ต้องมีผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าผู้รู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอการที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของใจนี้ ใจต้องสร้างพลังขึ้นมาสร้างกำลังขึ้นมาสร้างกำลังที่จะสู้กับพลังที่คอยดึงดูดจิตใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือกำลังของตัณหาความอยากนี่องกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นเหมือนแรงดึงดูดของโลกที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนผิวโลกนี้ ไม่สามารถที่จะลอยออกจากโลกนี้ไปได้ถ้าอยากจะออกจากโลกนี้ไปจำเป็นที่จะต้องมียาน<ม>เช่นเครื่องบินหรือยานอาวกาศ<ม>ที่มีพลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกถึงจะสามารถขึ้นสู่ เ, เหนือผิวโลกออ ก, ออกจากผิวโลกไปได้ลอยขึ้นจาก ผิวโลกไปได้แต่ยานบางยานก็ออกได้ไปไม่ไม่ไกลเช่นเครื่องบินต่างๆนี้สามารถที่จะลอยอยู่เหนือผิวโลกได้แต่ยังไม่สามารถออกไปให้พ้นรัศมีของแรงดึงดูดของโลกได้เครื่องบินทุกชนิดเมื่อขึ้นแล้วก็จะเป็นที่จะต้องมีการกลับลงมาจอด บ, บนพื้นพื้นดินอีก เวลาที่เชื้อเพลิงหมดเวลาน้ามันหมดเครื่องบินก็จาเป็นที่จะต้องกลับลงมาจอดตามสนามบินต่างๆไม่สามารถที่จะออกไปแบบไม่กลับมานอกจากยานอวกาศที่มีจรวจที่มีพลังขับเคลื่อนให้ออกพ้นจากรัศมีแรงดึงดูดของโลกได้ ยังจะสามารถไปแบบไม่กลับมาได้เช่นยานอวกาศที่ทางวิทยานักวิทยาศาสตร์ส่งขึ้นไปสำรวจดวงดาวต่างๆสงไปสำรวจดวงจันทร์สำรวจดาวอังคารสำรวจพระอาทิตย์ยานอากาศเหล่านี้เขามีกำลังที่จะผลักดันให้ยานนี้ ได้หลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกได้พอพน้นรัศษีของแรงดึงดูดของโลกได้เขาก็จะไม่ต้องกลับมาบนผิวโลกนี้ต่อไปใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนญาหนวกายถ้าเราอยากจะให้ใจของพวกเหล่านี้ออกจากโลกของใจพบนี้ไปเนี่ย ยาณอวกาศของเรานี้จําเป็นจะต้องมี พ, พลังผลักดันกําลังผลักดันที่มีมากกว่าแรงดึงดูดของโลกของไตพบแรงแรงดึงดูดของไตพบก็คือการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี่เป็นตัวที่คอยดึงให้จิตใจของพวกเราทุกคน ต้องกลับมาเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเสพรูปเสียงกิ่นรสเสพกลามหรือเสพรูปประชานหรือเสพอารประชานกันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสึ้นสุด <S <S ตายแล้วก็เกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่อยางนี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน โอกาสที่จะได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในแต่ละครั้งก็จะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้วิธีที่จะสร้างพลังให้แก่จิตใจให้มีกำลังมากกว่าแรงดึงดูดของกามสัณหาภาวะสัณหาและวิภาวะสัณหาถ้ามีใจมีพลังมากกว่าสัณหาทั้งสาม ใจก็สามารถที่จะพยายามออกจากแรงดึงดูดของตายพบได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบได้เช่นใจของพระพุทธเจ้าน่าใจของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านได้สร้างพลังให้กับใจของท่านจนสามารถที่จะอยู่เหนือพลังแรงดึงดูดของตัณหาทั้งสามได้ ตัณหาทั้งสามไม่มีแรงดึงดูดกำลังมากกำลังเท่ากับพแังแรงผักดันของใจที่ให้ออกจากการดึงดูดของการมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ใ, ใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกของพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไป ไม่เหมือนใจของพวกเราที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะใจของเรายังไม่มีพลังเหมือนกับพลังของเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้ากับพ้าอาหลานตัสสาวกทั้งหลายท่านมีพลังและการมีพลังนี้ก็เปเหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงให้กับญาอนามัยนี่ญาอนากา ศ, าากาศถ้าไม่มีเชื้อเพลิง ก็จะไม่สามารถพยายาขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งไปสู่อาวากาศได้ก่อนที่จะส่งยานอาวากาศขึ้นสู่ท้องฟ้าจำเป็นจะต้องเติมเชื้อเพลิงให้กับยานอาวากาศให้กับจรวดที่ผลักดันยานอาวากาศให้ลอยออกไปสู่ท้องฟ้าออกไปสู่อาวากาศได้ดังนั้นสิ่งที่พวกเราที่ยัง อยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่จำเป็นที่จะต้องทำก็คือเราจำเป็นจะต้องสร้างพลังให้กับใจของเราให้ใจของเรามีพลังที่จะสามารถจะต่อสู้กับความอยากต่างๆที่มาคอยดึงใจของเราให้มาติดอยู่กับสิ่งต่างๆในตายพบนี้ได้ พลังสิ่งที่เชื้อเพลิงที่ทำให้ใจของเรามีพลังนี้ก็มีอยู่ห้าห้าส่วนประกอบด้วยกันที่จะต้องคอยเติมให้ครบทั้งห้าส่วนถ้าใจเรามีเชื้อเพลิงครบใจเราก็จะมีพลังที่จะพยานขึ้นสู่ อาวากาศของจิตของธรรมได้ขึ้นสู่การไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้ฉังนั้นสิ่งที่พวกเราต้องมาทำกันคือต้องมาศึกษาวิธีเติมเชื้อเพิิงหรือสร้างพลังให้แก่จิตใจของพวกเรา เบื้องต้นก็ต้องรู้ว่าเชื้อเพลิงที่เราจะต้องเติมนั้นมีอะไรบ้างเหมือนเวลาเราขับรถยนต์นี้เราต้องรู้ว่าชนิดเชื้อเพลิงของรถที่จะต้องใช้ว่าเป็นเป็นน้ํามันชนิดไหนเป็นน้ํามันเบนซินเป็นน้ํามันดีเซลเบนซินก็มีหลายชนิดด้วยกันหรือว่าสมัยนี้ก็มีเชื้อเพลิงแบบใหม่คือไฟฟ้า เดยนี้เติมไฟฟ้ากันรถที่ไม่ได้ใช้น้ามันไม่ได้ใช้เบนซิ น, นใช้ไฟฟ้าก็ต้องเติมไฟฟ้าเข้าไปรถถึงจะมีพลังที่จะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ใจของเราถ้าต้องการให้ใจของเรามีพลังให้สามารถทยานออกจากโลกของการเยี่ยนไหวาตายเกิีได้เราก็ต้องเติมเชื้อเพลิงชนิด ที่ใจต้องการที่จะทําทให้ใจมีพลังนี้เชื้อเพิงที่จะทําทให้ใจมีพลังนี้แล้วก็คือคุณธรรมทั้งห้าห้าประการด้วยกันคุณธรรมข้อที่หนึ่งเราจำเป็นจะต้องสร้างหรือมีขึ้นมาก็คือศ ร, รทัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านเป็นผู้ที่รู้วิธีที่จะ สอนให้เรามีพลังที่จะสู้กับความยากต่างๆเพื่อที่เราจะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเรียนว่ายตายเกิดได้ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพราะทาคำสอนและเชื่อพระอรหันต์ตาวัของพระพุทธเจ้าให้ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรานั่นเองอ น, นี่คือข้อที่หนึ่งเราต้องมี ข้อที่สองที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาก็คือวิริยะความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียรในการที่จะศึกษาในในการที่จะปฏิบัติทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สามก็คือสิ่งที่พู้เจ้าทรงสอนให้เราพยายามปฏิบัติพยายามสร้างขึ้นมาด้วยศรัทธาด้วยวิริยะนี่ก็คือสติเราต้องมีสติ สามารถควบคุมใจของเราให้หยุดเหมือนรถยนต์ที่ยจำเป็นจะต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกก็หยุดรถยนต์ไม่ได้ต้องมีสติมันต้องเพียรสร้างสติเพียรสร้างสติเพื่ออะไรเพื่อทําให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธินั่นเองเพราะถ้าใจไม่นิ่งใจไม่สงบใจจะไม่มีพลังสู้กับความอยากต่างๆ ถึงต้องสร้างสติแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตเข้าไปในสมาธิบ่อยๆมากๆนานๆยิ่งนิ่งได้นานเท่าไหร่ใจยิ่งมีพลังต่อสู้กับความอยากได้มากขึ้นไปเท่านั้นและข้อที่ห้าเชื้อเพิงที่จะต้องมีข้อที่ห้าก็คือปัญญาปัญญาก็ทำให้เราเห็นว่า ความอยากต่างๆนั้นมันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ต่างๆเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนันตตานั่นเองมันเป็นของไม่เที่ยงได้แล้วเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วก็จะทำให้เราทุกข์เพราะเราควบคุมบังคับห้ามมันไม่ได้ให้มันสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ได้อะไรมาแล้วให้ความสุขกับเราได้ชั่วคราว เดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจ น, นี่คือเชื้อเพลิงที่เราต้องมาเติมกันอยู่เรื่อยๆ5ส่วนประกอบด้วยกันของเชื้อเพลิงที่จะทำให้ใจของเรามีพลังที่จะสู้กับแรงดึงดูดของตัณหาความอยาก ถ้าตัรหาความอยากมีแรงดึงดูดมากกว่าใจของเราก็ยังจะต้องติดอยู่กับใจพบอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจของเรามีพลังมากกว่าแรงดึงดูดของตัรหาของความอยากต่างๆใจของเราก็จะพยายามขึ้นสู่อวกาศอวายอาวกาศของจิตของธรรมก็คือพระนิพพานนั่นเอง ที่หลงตาท่านเคยเทศไว้อาวากาศของจิตอาวากาศของธรรมก็คือส่งจิตของเราซึ่งเป็นเหมือนยานอาวากาศให้ขึ้นไปอยู่ในอาวากาศอย่าอยู่บนผิวโลกนี้เลยเพราะผิวโลกนี้มันร้อนด้วยความทุกข์ชนิดต่างๆทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแล้วยังต้องมาทุกข์กับการพัดภาคจากกัน ทุกข์กับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆเช่นภัยพิบัติต่างๆภัยทางธรรมชาติภัยที่เกิดจากมนุษย์เองด้วยกันทำสงครามฆ่าฟันกันเองภัยที่เกิดจากโรคร้ายต่างๆโรคระบาดต่างๆการอยู่บนโลกนี้มันต้องเจอจกับความทุกข์ถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์เหล่านี้ก็ต้อง อยากกลับมาเกิดการจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆการจะหยุดความอยากได้ใจก็ต้องมีพลังมีกําลังสู้กับความอยากก็ต้องสร้างพลังขึ้นมาด้วยการเติมเชื้อเพลิงของใจห้าชนิดด้วยกันศรัทธาเริ่มต้นเราต้องมีความมั่นใจมีความเชื่อ ว่าพวกเราโชคดีที่ได้มาเกิดในยุคที่มมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกผู้ที่ได้หลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเพราะท่านรู้วิธีสร้างพลังให้กับใจท่านเติมพลังด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญา ด้วยวิริยะด้วยศรัทธาจึงทําให้ท่านได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลังจากที่ได้หลุดพ้นแล้วท่านก็มีความเมตตาสงสารการุณาต่อพวกเราที่ยังต้องติดอยู่ในการเวีนว่ายตายเกิดอยู่ และจะติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดสินใจว่าไม่สอนดีกว่าไม่เอาความรู้ที่ได้ทรงตัดสเลวนี้มาสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายโลกเหล่านี้ก็จะไม่มีพระอรหันต์ปรากฏตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีพระอรหันต์ที่จะมาคอยเผยแผ่สั่งสอนธรรมะ หลังจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระปเจกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้มีอยู่สองสองแบบด้วยกันแบบที่ตัดทะลุแล้วนําเอาธรรมะมาเผยแพร่สั่งสอนเรียกว่าพระอรหันตสตมาสมาสามพุทธเจ้าและแบบที่สองก็คือพระปเจกับพระพุทธเจ้า พระเบจีพระพุทธเจ้านี้ตัดทะลุแล้วแต่ไม่สอนธรรมะไม่เอาความรู้นี้มาสอนใครเมื่อไม่สอนใครก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถที่จะหลุดพ้นได้ไม่มีไม่มีสาวกปรากฏขึ้นมาไม่มีอารหันตสาวกเมื่อไม่มีอรหันตสาวกก็ไม่มีสาวกของอารหันตสาวกตามมาเมื่อพระพุทธเจ้าพระเบจกาพระพุทธเจ้าตายไป ท่านก็เอาความรู้ที่ท่านได้ไปกับท่านเพียงองค์เดียวท่านก็หลุดพ้นเพียงองค์เดียวขนาด จ, จะเห็นว่าโลกไม่ไม่พร้อมกับคาสอนของท่านก็ได้ท่านถึงไม่สอนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราเบื้องต้นท่านก็ทรงไม่มีความรู้สึกท้อพระทยัยไม่อยากจะสอนเหมือนกันเพราะเห็นว่าคนในโลกนี้ส่วนใหญ่จะ ไม่เชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่เชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดกันสอนไปก็จะเสียเวลาปรเปล่าๆเหนื่อยเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่หลังจากที่ได้ทรงทบทวนดูเนื่องจากมีพระเท้ามหาพรหมกาลาธนาะขอความเมตตากรุณาขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรวจพิจารณาอีกสักครั้ง ว่าควรหรือไม่ในการที่จะเยผยแพร่สั่งสอนธรรมะให้กับสัตว์โลกหลังจากที่ใช้เวลาวิเคราะห์ก็ทรงเห็นว่าสัตว์โลกนี้ก็มีบา ร, รมีไม่เท่ากันมีความสามารถไม่เท่ากันมีศรัทธาความเชื่อไม่เท่ากันบางพวกก็มีศรัทธาความเชื่อในเรื่องบาปบุญ คุณโทษนรกสวรรค์นในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมีศรัทธาที่อยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันก็มีอยู่แล้วก็มีพวกที่ไม่สนใจในเรื่องการที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีอยู่เมื่อทรงแยกแยะได้ก็แยกแบ่งจำแนกสัตว์โลกไว้สี่พวกด้วยกัน เปรีเหมือนกับบัวบัวสี่เหล่าบัวสามชนิดนี้มีบัวสามชนิดที่ยังมีโอกาสที่จะรับประโยชน์จากคําสอนของพระพุทธเจ้าได้คําสอนของพระพุทธเจ้านี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์บัวนี้ถ้าเป็นพวกบัวเหนือ น, น้ํานี่พอได้สัมผัสกับแสงแสงอาทิตย์ในวันในตอนเช้า บัวก็จะบานขึ้นมา ท, ทันทีนี่คือบัวชนิดแรกคือกลุ่มของคนที่มีบารมีสูงมีศีลมีสมาธิแต่ขาดปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมที่พูุทธเจ้าได้ทรงตัดทะลุพอพุทธเจ้าทรงแสดงแสงสว่างแห่งธรรมคืออริยสัจสี่มรรคแปดตายรักให้กับผู้ที่ มีบารมีสูงเหล่านี้เขาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขึ้นมาได้ทันทีเลยนี่คือกลุ่มที่หนึ่งบัวเหนือน้ำกลุ่มที่สองก็เป็นพวกบัวปริ่มน้ำยังไม่โผล่ขึ้นมาอีกวันสองวันถึงจะค่อยโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้พวกนี้ก็เป็นพวกที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นนักบวชแต่ยังขาดสมาธิ ยังต้องฝึกหัดเจริญสตินั่งสมาธิไปก่อนให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้รูปฌานรูปฌานก่อน<ม>พอถ้าฝึกสติฝึกสมาธิไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะได้ได้สมาธมิได้อัปปนาสมาธิได้อุเบกขาได้พลังที่จะสู้กับความอยากได้พอพวกนี้ ปฏิบัติไปก็จะเป็นบัวเหนือน้าต่อไปในระยะต่อมาแล้วหลังจากที่โผล่เหนือน้ำแล้วพอได้สัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรมก็จะบานขึ้นมาได้พวกนี้เป็นพวกที่สองพวกนี้บารมีน้อยกว่าพวกที่หนึ่งต้องใช้ต้องใช้เวลาสร้างบารมีคือสมาธิให้มากขึ้นส่วนพวกที่สามนี้เป็นพวกที่ยังไม่มีสมาธิยังไม่ได้เป็นนักบวช รักษาได้ก็แค่ศีลห้าแต่ศีลแปดนี้ยังรักษาไม่ได้ยังติดอยู่กับความสุขทางการทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆตรงนี้ก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมเพิ่มการรักษาศีลเช่นในวันพระก็เปลี่ยนจากการรักษาศีลห้ามารักษาศีลแปดเมื่อรักษาศีลแปดแล้วก็จะมีเวลา ที่จะมนฝึกสตินั่งสมาธินั่นเองถ้าทําไปเรื่อยๆแล้วเพิ่มไปเรื่อยๆเบื้องต้นก็อาจจะรักษาสิงห์แปดเพียงวันพระต่อมาก็อาจจะเพิ่มเป็นวันก่อนวันพระวันหลังวันพระด้วยหรือรักษาทีละสัปดาห์ทีละสามวันรักษาไปแล้วปฏิบัติสมาธิสติไปได้ผลจากความสงบบ้างไม่บะมากบ้างน้อยบ้าง ก็ทำให้เกิดมีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปก็จะเพิ่มวันปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็พร้อมที่จะไปอยู่แบบนั่งบวชต่อไปได้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของจีรังถาวร ย, ยั่งยืนที่จะให้ความสุขที่จะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าตราบใดใจยังไปยุ่งกับเรื่องต่างๆของโลกคือโลกกระทำ เช่นลาบยศสารเสรินและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ <Yeah. S 1> ก็จะไม่มีวันที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องสร้างกำลังของใจให้เลิกแต่วนหาความสุขจากโล ก, กธรรมจากลาบยศสรรเสริน ส, สุขแล้วให้มหาความสุขจากการทำใจให้สงบหาความสุขจากสันติสุข หาความสงบจากสันติความสงบของใจเมื่อใจสงบนั้นใจจะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากโลกกระทก็จะทำให้เลิกการมาตัญหาได้แล้วก็ทำให้อยู่แบบนักบวชได้เพื่อที่จะเจริญสติสมาธิให้มีเพิ่มมากขึ้น จนในที่สุดก็ส่งจิตให้เป็นจิตที่เหนือน้ําขึ้นมาเป็นบัวเหนือน้ําขึ้นมาได้พอเป็นจิตที่เป็นบัวเหนือน้ําแล้วพอได้ศึกษาทางปัญญาพิจารณาทางไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาลิยัสสัตสี 4, ก็สามารถที่จะทําลายความอยากต่างๆตัวที่มาดึงให้ใจนี้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดได้ พวกนี้เป็นพวกที่สามที่จะต้องใช้เวลามากกว่าพวกที่หนึ่งพวกที่สองพวกที่หนึ่งนี้พอได้ฟังธรรมก็บรรลุได้เลยหลุดพ้นได้จากการฟังธรรมพวกที่สองนี้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจยังยังหลุดไม่ได้ยังสู้กับความอยากไม่ได้เพราะยังไม่มีสมาธิก็ต้องไปฝึกสมาธิให้มีสมาธิให้หยุดให้หยุดใจให้ได้ทำใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ ถ้าทําใจให้นิ่งให้สงบได้ก็จะหยุดความอยากได้พวกที่สามก็พวกที่ยังต้องมารักมามาปฏิบัติศีลเพิ่มให้มากขึ้นก่อนจากศีลห้าก็มาเป็นศีลแปดอยากศีลแปดก็จะได้มีเวลาไปฝึกสติฝึกสมาธิก็จะใช้เวลามากกว่าพวกที่หนึ่งพวกที่สองแต่ถ้ามีความเพียรพยายามคอยปฏิบัติอยู่เรื่อยๆ อย่างวันนี้ที่มาฟังเทศต่างนี้ก็เพื่อมาเติมพลังให้กับใจให้รู้ว่าจะต้องเติมเชื่อเพลิงอะไรบ้างต้องให้มีศรัทธาความเชื่อมั่นในคําสอนของพระทเจ้าว่าเป็นคําสอนที่เป็นคำสอนที่จะพาให้หดุจพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยมีเพียงแต่จะทําให้ได้เต็มที่เมื่อไหร่นะั้น จะสร้างสติให้ได้มากเท่าไหร่จะสร้างสมาธิให้ได้มากเท่าไหร่สร้างปัญญาให้ได้มากเท่าไหร่เท่านั้นเองแล้วถ้าพยายามทําไปก็จะสามารถเพิ่มการปฏิบัติได้มากขึ้นตอนต้นอาจจะเริ่มแค่ทิ้งละหนึ่งวันเช่นวันนี้วันพระหยุดทํางานทำมาหากินเอาเวลาเข้าวัดมาศึกษามาเติมพลัง เติมเชื่อเพงเติมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพยายามทำไปเรื่อยๆแล้วพอผลเริ่มปรากฏขึ้นมามันก็จะทำให้มีกำลังใจแล้วก็จะเห็นว่าความสุขทางที่ได้จากการปฏิบัตินี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพโลกปธรรมทั้งหลายเช่นลาบย่อร ะ, ะเสรินสุข ก็จะทำให้มีศรัทธามีวิริยะมากขึ้นที่จะมาปฏิบัติสติสมาธิปัญญาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ<ม>รับได้รับประกันได้ว่าถ้าทำอย่างต่อเ น, นื่องแล้วต้องสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้ในภพนี้ชาตินี้เลย<ม>อัังที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรนะผู้ใดสามารถเจริญสติได้เต็มร้อย เข้าสมาธิได้ได้ทันทีตามที่ปรารถนามีปัญญาเห็นตายลักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีอย่างแน่นอนอส่วนพวกที่สี่บัวเหล่าที่สี่ที่พูะเจ้าทรงพิ จ, จารณาก็เป็นพวกที่ยังอยู่กับโคลนกับตมอยู่ยังไม่ได้โผล่ขึ้นมา ตรงนี้โอกาสที่จ ะ, จะเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นบัวเหนือน้ำนี้ยากมากเพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปเป็นส่วนใหญ่ตรกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่เชื่อไม่มีศรัทธาในเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดม่เชื่อว่าตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ต้องไปไปสวรรค์ไปนรกคิดว่าเป็นเรื่ององมงายเรื่องของคนโง่เขาเบาปัญญา ตรงนี้ก็จะไม่สนใจที่จะเข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะไม่มีศรัทธาวความเชื่อในพระพุทธเจ้า ว, ว่าคําสอนพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่จะช่วยให้เขาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เขาเห็นว่าวิธีจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ของเขาก็คือต้องเสดต้องหาโลกธรรมมาดับต้องหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเขาก็เลยไม่เชื่อ ในการที่จะมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมนี้มาอยู่วัดพวกนี้สอนไปก็เสียเวลาเป่าๆเพราะโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้นี้ไม่มีมันยากแขนยากเพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปเป็นส่วนใหญ่หลังจากที่ได้วิเคราะห์แล้วก็เห็นว่า มีพวกที่สามารถสั่งสอนได้พระองค์ก็เลยมุ่งไปสอนพวกที่เป็นบัวเหนือน้ําก่อนยุครากรก่างนี้การเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าจะไปโปรดพวกที่เป็นนักบวชการแสดงธรรมครั้งแรกก็โปรดพระปัญจวคีพระปัญจวคีก็เป็นนักบวชเป็นดาบวเป็นเลสีที่ติดตามเป็นสาวกของพุทธเจ้าอยู่ระยะหนึ่งในช่วงที่พุทธเจ้าอ ทรงปฏิบัติอย่างเขร่งคัดทรงต่อสู้กับตัญหาความอยากด้วยการไม่รับประทานอาหารถึง4ี่สิบเ้าวันแต่หลังจากที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าการอดอาหารเฉยๆนี้ไม่สามารถหยุดความอยากได้ทําลายความอยากได้ถ้าหยุดต่อไปอดอาหารต่อไปร่างกายก็จะตายไปแต่ตัญหาความอยากที่มีในใจมันก็จะไม่ตายไปด้วย ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีเลิอกอดอาหารพ อ, อเปลี่ยนวิธีบัญญาสาวกทั้งห้าคือพระที่ติดสาวกห้ารูปที่ติดตามคือพรปัญจ ว, วัคคีย์ก็เสือส่อมศรัทธานในตัวพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านี้ยอมแพ้สู้กิเลสไม่ได้สู้สู้ความอยากไม่ได้แนละ้วอยากกินอาหาร ในที่สุดก็ต้องกลับมากินอาหารก็เลยเสื่อมศรัทธาไม่ไม่ขอไม่ไม่ติดตามเป็นลูกศิษย์ติด ต, ต่อไปแยกตัวไปอยู่ตามนำพังของเขาพอหลังจากที่เขาแยากจากพระเจ้าไปพูะเจ้าก็เลยมีเวลาบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมากังวลกับการที่จะมามาพิสูจน์ให้ลูกศิษย์เห็นว่ากำลังไปในทิศทางที่ถูกหรือไม่อย่างไร พรงก็ทรงสามารถที่จะเลือกทางของพระองค์ได้อย่างอย่างสบายในที่สุดก็ทงค้นเพราะว่าการจะทำให้กิเลสตายได้ก็ต้องใช้การบําเพ็ญจิตตะภาวนาหรือใช้สมาธิและใช้ปัญญานี่ก็เลยกลับมาภาวนาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาตอนในที่สุดก็ทำให้จิตมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ เหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและเหตุที่จะทําให้การกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ก็ต้องเห็นว่าการสิ่งที่ความอยากต้องการคือกามก็ดีความสง บ, บของชานก็ดีนวลเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นหนงเป็นอันนี้จังทุกขังอันนั้นตา่างต้องเลิกเสพสิ่งเหล่า น, นี้เลิกเสพกามเลิกเสพชาญต่างๆ พระองค์ก็เลยสามารถที่จะทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปทำให้ใจนี้หลุดออกจากแรงดึงดูดของตายพบไปในที่สุดหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาว่าจะสอนไม่สอนดีแล้วจะสอนใครก็นึกถึงพระญจกวัคคีว่าเป็นพวกเหนือบัวเหนือน้ำ เป็นพวกที่กำลังรอแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาที่พุเจ้าได้ทรงตัดทะลุนี่ทนั้นเองก็มุ่งไปหาพระปัญจวัคคีเป็นกลุ่มแรกแล้วก็ทรงแสดงอ ร, ริยสัจสี่แสดงมรรคแปดแสดงไตรลักษณ์ให้ฟังพอหลังจากแสดงธรรมบัรดาพระสาวกก็เริ่มตัดทะลุกันตามลำดับเงต้นครั้งแรกก็มีพระปัญจวัคคีพระอัญญาณโกณัญญะบรรลุเป็นพระโสดาบัน ได้บรรลุเป็นภาพบุคคลไหได้หลุดพ้นจากการมาพบในลำดับต้ น, นดับในลำดับที่หนึ่งต่อมาหลังจากแสดงธรรมไปอีกครั้งสองครั้งสอนวิธีละความอยากที่ยังมีเหลืออยู่ในใจให้หมดไปบรรด า, าพระบรรจ ว, วคีทั้งห้าก็ได้บรรลุธรรมตัสรู้ตามพระพุทธเจ้า หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการวินว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาวินว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือการเผยแผ่ ธ, ธรรมของพระเจ้าในช่วงแรกๆนี้จาไปที่ตามสำนักของนักบวชทั้งหลายไปแสดงธรรมทีหนึ่งพอนักบวชที่อยู่ในสำนักเหล่านั้นได้ฟังปับ๊บหลังจากแสดงธรรมจบปุ๊บ ก, ก็บรรลุ ก, กันขึ้นมาพร้อมๆกันเลยบางทีมีห้าร้อยลูกฟังธรรมพร้อมๆกัน พอแสดงทำจบห้าร้อยรูปนั้นก็บรรลุธรรมขึ้นมาทันทีหลุดพ้นจากกองทุกข์ทันทีเพราะหยุดความอยากต่างๆได้ ท, ทันทีเพราะไม่รู้ว่าตัวที่พาให้มาทุกข์มาให้เวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากนี่แะสิ่งที่อยากก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้แหละการการนําเอาธรรมอันประเสริฐที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั้นมาเผยแผ่ เบ้องตก็สอนพวกบัวเหนือน้ําก่อนเอาพวกฉลาดพวกที่ไม่ต้องเสียเวลามากพูดคำสองคาก็เข้าใจแล้วสามารถปฏิบัติหลุดพ้นได้แล้วก็จะใช้พวกนี้มาช่วยเผยแผ่ธรรมะต่อไปหลังจากพวกนี้ได้หลุดพ้นได้บรรลุแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าทันทีขอบวชเป็นพระภิกษุในบวรอของพระพุทธศาสนาหลังจากบวชเสร็จพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้กระจายกันไปตามทิศ ต, ต่างๆ เอาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัตินี้ไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปพวงนี้ก็จะกระจายกันไปตามตามดินแดนต่างๆใบแคว้นต่างๆเพื่อเอาธรรมะไปสอนนักบวช ด, ด้วยกันก่อนจนปรากฏมีผ้าหลานทศสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจนํานวนมากอันนี้ก็เกิดจากศรัทธาเกิดจากศรัทธาความเชื่อในความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้า ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้เป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้พวกเราผู้ที่ศึกษาผู้ปฏิบัติตามนี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแม้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ร่างกายยังไม่ตายก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะรู้สาเหตุของความทุกข์ของความแก่ ความเจ็บความตายของร่างกายนี้มันเกิดจากความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายเวลาท่านแก่ท่านก็จะไม่ทุกข์ท่านจะเฉยเฉยเพราะท่านรู้ว่าถ้าไปอยากให้มันไม่แก่นี่มันจะทุกข์ขึ้นมาในใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เฉยเฉยท่านก็ปล่อยให้มันเจ็บไป เฉยๆแบบถ้ารักษาได้ก็รักษาไปแา่ใจไม่วุ่นวายไปกับมันรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปไม่ได้มีความอยากให้มันไม่เจ็บไม่มีความอยากให้มันหายแต่อย่างใดมันจะมามันก็เป็นเรื่องของมันมันจะไปก็เป็นเรื่องของมันมันเป็นอนัตตาเหมือนฝนเหมือนฝนตกเมื่อกี้มันจะตกมันก็เรื่องของมันมันจะหยุดก็เรื่องของมันเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ สั่งให้มันหยุดไม่ได้เวลามันจะตกเวลามันไม่ตกจะสั่งให้มันตกว่ามันก็ไม่ตกทันใดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นเหมือนกับขนฟ้าอากาศดีๆร่างกายจะเจ็บมันก็เจ็บขึ้นมาเนี่ยมันดีขึ้นดีแล้วก็เป็นโรคนั้นโรคนี้กันขึ้นมาต่ใจไม่ทุกข์กว่ามันถ้ามีถ้ามีอริยสัจสี่ถ้ารู้จักว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่ เจ็บไม่เจ็บไม่ตายท่านั้นเองก็หยุดความอยากให้ได้หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายมันจะเจ็บก็ยอมเจ็บมันจะตายก็ยอมตายปล่อยให้มันตายไปถ้ายอมใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเนี่ยพระาวกถ้านอนจารยัสสาวกทุกรูปเนี่ยหลังจากที่ท่านตัดสิรูแล้วนี่ท่านไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปถึงแม้ว่าท่านยังมีขันห้ามีร่างกาย มีเวทนาสัญญาสังขารเวลาที่มันทุกข์ท่านก็ไม่ไปทุกข์กับมันมันท่านก็ปล่อยให้มันไปท่านรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยววันดีขึ้นวันดีขึ้นดีก็เจ็บวันดีขึ้นดีก็หายอารมณ์ต่างๆก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันใดวันหนึ่งบางทีก็อารมณ์ดีวันหนึ่งก็อารมณ์เสียก็รู้เข้าใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไปหมดมันเป็นของไม่เที่ยงของที่แปรปรวนไป เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจจะใจทุกข์เพราะใจไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนอยากจะให้มันมีแต่อารมณ์ดีๆอยากจะให้มีแต่เวทนาดีๆมีสุ ข, ขเวทนาไม่อยากให้มันมีทุกขเวทนาท่านเห็นเลยว่าเป็นความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกขให้กับใจดังนั้นหลังจากที่ท่านบรรลุแล้วนี่ท่านจะไม่มีความอยากกับอะไรต่อไปท่านจะเฉยๆ กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านไปสัมผัสรับรู้ทางภายตาหูทางตาหูจมูกนิ้นกายร่างกายจะแก่ก็รับรู้เฉยๆว่ามันต้องแก่ร่างกายเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บห้ามมันไม่ได้ร่างกายตายก็รู้ว่ามันจะต้องตายห้ามมันไม่ได้แต่ใจยังไม่ทุกข์เหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ทุกข์มากทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายเพราะไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรนั่นเอง แต่หลังจากที่ได้ยินได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนแล้วก็สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายได้ใจก็เลยไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปและหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกเพราะหยุดความอยากที่จะมาหา รูปเสียงกลิรถถดกับพระหยุดกามาตหาได้หยุดภวะตัณหาหยุดความอยากที่จะมาเสพรูปประชานรูปประชานได้ใจ ก, ก็ไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายตามมาอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่คิดว่าเกิดมา แล้วต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆนี้ต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านสามารถจะสอนเราบอกเราว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรและวิธีที่จะแก้ความทุกข์นี้แก้ได้อย่างไร mm. บุงตนก็ต้องรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเร า, mm. อ, ยาอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็ทุกข์ขึ้นมาเสียใจขึ้นรือ mm. อยากที่จะให้สิ่งที่เราไม่ชอบมาหายไปมันก็ไม่หายมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ต้องมาหยุดความอยากนี้ให้ได้การจะหยุดความอยากนี้ก็ต้องมีพลังเหมือนกับจรวดเนี่ยการที่จะออกจากแรงดึงดูดของโลกได้ก็ต้องมีเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงเมื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับจรวดแล้วจรวดก็จะมีพลังขับเคลื่อน ที่จะส่งใจให้ออกจากแรงดึงดูด ส, ส, ส่งญาณามกาศให้ออกจากแรงดึงดูดของโลกได้ใจก็เหมือนกันถ้าอยากที่จะอยู่เหนืออำนาจของความอยากใจก็ต้องมีพลังมากกว่าความอยากก็หยุดความอยากให้ได้การจะหยุดความอยากให้ได้ก็ต้องมีสมาธิมีปัญญาและการจะมีสมาธิมีปัญญาได้ก็ต้องมีสติก่อนเพราะสมาธินี้ ต้องอาศัยสติถ้าไม่มีสติเป็นผู้ที่คอยหยุดความคิดสมาธิก็เกิดขึ้นมาไม่ได้สมาธิก็คือความนิ่งความสงบของใจนี่จะทำให้ใจนิ่งให้ส ง, สงบก็จำเป็นที่จะต้องมีมีสติสติเป็นเนิเ น, นเบรกเบรกที่จะหยุดใจที่ไม่นิ่งใจไม่นิ่งเพราะอะไรใจใจไม่นิ่งเพราะใจคิดอยู่เรื่อย น, นั่นเองเหมือนกับรถยนต์นี่ การที่เราจะจอดรถได้นี่เราต้องมีเบรกถ้ารถวิ่งอยู่แล้วเราอยากจะให้รถหยุดนี่มันถ้าไม่มีเบรกมันไม่หยุดอ่ะมันจะหยุดก็ต่อเมื่อมันไปชนอะไรเข้าหรือมันไปแหกโค้งตกหนุม่มตกคลองไปท่านั้นมันถึงจะหยุดได้ทันใดการที่เราจะทําใจให้นิ่งเราก็ต้องติดเบรกให้กับใจก่อนเบรกก็คือสติแล้วการจะเบรกใจนี่ก็ต้องเบรกทั้งวันทั้งคืน ไม่ใช่จะมาทําแค่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะว่าเพราะถ้าเรามาทําเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิมันมีกําลังน้อยกําลังไม่พอเพราะก่อนมานั่งสมาธิแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้มันพอมานั่งสมาธิมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อยต่อไปนั่งไปแล้วใจก็ไม่สงบใจก็ยังฟุ้งซ่านเหมือนเดิมอยู่ อย่างนันต้องฝึกสติให้มากมากต้องคอยหยุดความคิดให้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนหลับไปเลยอย่าปล่อยให้ในช่วงที่ตื่นจนหลับนี้ไม่มีสติคอยควบคุมความคิดต้องคอ ย, คอยต้องคอยเหยียบเบรกอเืยๆอาจจะไม่ได้หยุดอย่างอย่างต่อเ น, นื่องบางทีก็เผลอเผลอก็คิดพอได้สติก็หยุดมันใหม่เบื้องต้นมันจะแบบสลับกันไป พอได้สติแล้วก็หยุดคิดพอเราเผลอความคิดมันก็คิดขึ้นมาเราก็พยายามต้องสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆเดินไปหรือเรียกว่าอย่าคิดอย่าคิดให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือให้เฝ้าดูว่าร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็ให้ดูก็ว่ากําลังเดินดูร่างกายกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนก็ให้เข้าดูร่างกายไปเพียงอย่างเดียว เวลาทำอะไรเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเมื่อทำอะไรด้วยร่างกายให้ดูร่างกายไปตลอดเวลาถ้าคอยเฝ้าดูมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้เพราะมันจะถูกบังคับให้ให้ดูงานที่ดูการทำงานของร่างกายนั่นเอง หรือถ้ามันดูดูงานดูไม่ได้มันยังมันยังมันยังหนีไปคิดอยู่ก็ต้องใช้พุโทโธหนึ่งมันกลับมาอีกชั้นหนึ่งก็ได้ใช้กรรมไปกรรพุโทโธพุโทโธไปต้องฝึกอย่างนี้ไปก่อนถึงเวลาที่เวลามานั่งสมาธิจิตถึงจะนิ่งได้ถึงจะจอดถึงจะสงบได้เหมือนรถยนต์เนี่ยเวลารถวิ่งเร็ ว, รวนี้เราตะเบรกทีเดียวมันไม่หยุดหรอกเราต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆเห ย, เยียบไป บางทีอานต้องใช้เวลาหลายหลายร้อยเมตรรถยนต์กว่าจะหยุดได้ก็เพราะว่ามันมีความเร็วพอแตะเบรกปั๊บเบรกจะไม่สามารถหยุดตรงจุดที่แตะเบรกได้เพราะรถมันยังไม่หยุดล้อมันยังหมุนอยู่แต่ถ้าเราเหยียบเบรกไปเรืร่อยๆไม่ปล่อยเบรกเดี๋ยวล้อมันก็จะค่อยๆหมุนช้าลงหมุนช้าลงแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะหยุดหมุนเองมันก็จะจอดได้ การฝึกทำสติสมาธิจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากต้องใช้ความเพียรพยายามมากนักปฏิบัติส่วนใหญ่มาแพ้ก็แพ้ตรงนี้เพราะใจร้อนนั่งสมาธิปุ๊บก็อยากจะให้ใจสงบขึ้นมาทันทีพอไม่สงบก็เลยท้อขึ้นมาก็เลยไม่อยากจะนั่งถ้าไม่นั่งมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ใจนิ่งได้ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ใจก็ยังต้องทํางานอยู่ เพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนั่นเองเวลาเราจะลุกขึ้นมาในี้ใจก็ต้องทํางานแล้วสั่งร่างกายให้ลุกขึ้นมาให้ก้าวให้ยืนให้ก้าวเท้าก้าวซ้ายซ้ายขวาในี้ใจต้องทํางานถ้าใจทํางานใจก็จะนิ่งไม่ได้วิธีที่จะทําใจให้นิ่งนี้ต้องต้องให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆไม่ให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องมีสติที่สามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ถ้าสติยังอ่อนอยู่ ถึงแม้นั่งกายจะนั่งเฉยๆอยู่แต่ใจก็ยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นอยู่มันก็จะไม่มีวันสงบได้ส่วนใหญ่ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิกันใหม่ๆนี้มักจะเจอปัญหาแบบนี้นั่งแล้วไม่มีไม่สงบไม่มีใครเจอความสงบกันเล ย, เลยก็เพราะว่าไม่รู้ว่าสติของตนเองมีกําลังน้อยไม่ฝึกสติมาให้มากๆก่อน<ล>ต้องฝึกต้องหาวันเวลาว่างมาฝึกสติทั้งวันเช่นวันพระเนี่ย พระเจ้าบอกว่าให้หยุดทำงานให้หยุดใช้ความคิดแล้วเอาเวลาว่างจากการทำงานนี้มาฝึกสติกันมาสร้างสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็คอยคุมความคิดเลยวันนี้ไม่มีความไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องคิดเพราะไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปยุ่งกับใครต้องหยุดความคิดให้ได้พอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปก็ได้หรือเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายของเราอยู่ในรียบุไหน กำลังอยู่ในท่านอนอก็รู้ว่านอนกำลังจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นมานั่งอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะวันนี้เป็นวันที่หยุดความคิดวันที่เราจะปฏิบัติสติสมาธิกันต้องมีเป้าหมายให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วพยายามพยายามทาตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือหยุดคิดให้ได้ จะหยุดคิดด้วยการใช้คําบริกรรมพุโทโธไปก็ได้จะหยุดคิดด้วยการคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวหการกระทําต่างๆของร่างกายไปก็ได้คราวนี้แหละมันไม่ยาก เ, เพียงแต่ว่าขอให้เราทำเท่านั้นเองพอเราทําแล้วต่อไปสติเราก็จะมีกําลังมากขึ้นสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้พอเวลามานั่งสมาธิก็สามารถสั่งให้มันพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องอะไรก็ได้หรือ ถ้าจะไม่พุโทโธจะมาดูลมหายใจก็ได้ให้ดูลมหายใจที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้ตรงจุดที่มันสัมผัสเข้าออกคือแถวบริเวณปลายจมูกขึ้นเหนือริมฝีปากขึ้นมาจะสัมผัสได้ว่ามีลมมันสัมผัสอยู่ตรงนั้นก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นจุดเดียวให้ดูเฉยๆไม่ให้คิดลมจะยาวก็รู้ว่ายาวไม่ต้องไปบังคับมันให้ยาว ให้สั้นมันจะยาวก็ปล่อยมันยาวไปมันจะสั้นเรื่องของลมนี้เราไม่มาควบคุมปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะละเอียดจะหยาบก็รู้ไปเฉยๆมันจะหายไปก็รู้ว่ามันหายไปเฉยๆไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ต้องกลัวว่าลมหายใจหายแล้วเราจะตายไม่ตายเพียงแต่ว่ามันละเอียดจนกระทั่งเราจับมันไม่ได้ทั้นเองว่ามันไม่เอมันไม่มีลมแต่ความยิงมันยังมีอยู่ไม่ต้องกลัวตราบใดที่มีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานี้ ร่างกายจะไม่ตายอย่างแน่นอนและก็ไม่มีใครตายจากการนั่งสมาธิดูลงหายใจเข้าออกมีแต่กิลเลสคือความฟุ้งซ่านที่ตายไปเท่านั้นเองอ น, นี่คือการฝึกสติการฝึกสมาธิเป็นของที่ต้องใช้เวลามากต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนต้องพยายามทำไปเรื่อยๆเพราะรีบร้อนอยากจะได้ผลแล้วพอนั่งแล้วไม่ได้ผลมันจะเกิดความท้อแท้ด่วหนาขึ้นมา แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นของยากมันเหมือนปีนภูเขาเนี่ยคนจะปีนภูเขาหิมาลายได้นี่ไม่ใช่เนื่องจะปีนปุ๊บก็ขึ้นไปได้เลยต้องซ้อมผัดผัดปีนมาเป็นเวลาเป็นเดือนเป็นปีแล้วพอมาปีนจริงๆก็ไม่ใช่ปีนแค่วันสองวันถึงจะขึ้นไปได้มันต้องใช้ความเพียพรพยายามมากต้องใช้ขันติความอดทนต้องใจเย็นๆมีหน้าที่ทําไปก็ทําไปเท่านั้น เราไม่มีหน้าที่ที่จะสั่งให้ผลมาปรากฏขึ้นมาผลมันจะเกิดก็ผลมันเกิดจากจากเหตุเหตุก็คือสติฉะั้นเรามีหน้าที่สร้างเหตุดังนั้นก็คือสร้างสติคอยสร้างสติให้มีมากๆขึ้นไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆทุกวันวันที่เราไม่ปฏิบัติธรรมก็พยายามฝึกไปถ้าที่เราจะยายฝึกได้ต้องพยายามฝึกให้มีสติจิตใจถึงจะสามารถ ทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาได้ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามฝึกกันให้มากๆถ้าเราผ่านขั้นสติขั้นสมาธิไปได้แล้วไปถึงขั้นปัญญามันก็จะสบายขึ้นปัญญ <c oughs> าก็เพียรแต่คอยสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันได้ลูกมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องจากกันไม่มีอะไรที่จะอยู่ไปกับเราไปตลอดเขาไม่จากเราไปเราก็จากเขาไปหรือไม่ฉะนั้นก็จากกันไปพร้อมๆกันอันนี้คือโลกของอนิจจังไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันให้ความสุขกับเราได้เพียงชั่วประเดี๋ยวประดาเท่านั้นเองแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ เพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเรามันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนมันไม่ได้เป็นของของใครทั้งนั้นมันเป็นของธรรมชาติมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดมีเหตุปัจจัยให้มันดับมันก็ดับเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยากได้สิ่งเหล่านี้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้จนทาในสุดใจของเราก็จะว่างไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เลย ก็ถ้ากับใจเราได้เข้าสู่อาวากาศของของจิตของธรรมนะใจที่ว่างจากความอยากทั้งปวง ก, ก็เหมือนยานอาวากาศที่ว่างจากแรงดึงดูดของของไต่พบของกามาตฐาหาภาวะฐานห า, ะะนหาและวิภาวะฐานหาการที่จะส่งใจให้ไปสู่อาวากาศของจิตอาวากาศของธรรมได้นี้ก็ต้องอาศัยการเติมเชื้อเพลิงห้าชนิดนี้เองก็คือศรัทธาความเชื่อ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะเจริญสติสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นมาตามลำดับถ้ตาตามเชื่อเพลิงเหล่านี้ให้ครบแล้วใจก็จะมีพลังที่จะทยานออกจากโลกของกาโลกของตายพบได้โลกของการมาพบรูปพบอารปูปพบได้เอาอจากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่อาวากาศของจิตของธรรมได้ นี่คือเรื่องที่เอามาพูดมาฟุยมาฝากให้ท่านได้พิจารณากันในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรอยะถ า, าวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาขาังเอวามวะอิโตทินังเตตานางอุปกปติ อิชิตังปะชิตังตุงหังคิดเป็มีวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะหะโสยัามณิโชติหะโสยัทัสพีติอวิวาชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทานาศิีฤทธนิจังวุธาปจายนจโนจตารธรรมวทาทันติอายุวันโอสุขังภาล่าช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุด ก็หลังจากที่เลิกแล้วเดียวก็จะต้องมีทำอะไรกันอีกก็จะไม่สะดวกที่จะที่จะคุยกันอยากจะคุยจะถามอะไรก็ถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติห้า้อยห้าสิบแดท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สามอยสิเจ็ดท่าน YouTube ดรว63าท่านค r a บเฮา s ์เก้าท่านวิทยุออนไลน์แท่านหน้ากุติเก้าสิบท่านรวมหนึ่งพันห้าสิบห้าท่านเจ้าค่ะ ถ, ถ้ามีคำถามก็ อ, อ่านไปได้เลยเชิญ คำถามจากผู้ฝากถามก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจะไม่รู้ตัวเลยค่ะว่ามีสิ่งเหล่านี้ด้วยในตัวเยอะพอเริ่มต้นปฏิบตัติรู้ตัวว่าอาวิชชาเยอะมากค่ะโลภะโมหะเยอะถือว่านี่คือตัวรู้ไหมคะอันนี้เป็นปัญญาความรู้ที่เราได้รู้จากพระพุทธเจ้าเหมือนกับถ้าเราไปเรียนกับหมอหมอก็บอกว่าร่างกายเรามีอะไรเยอะแยะไปหมด มีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรถ้าเราไม่ได้เรียนเราก็ไม่รู้เราคิดว่าเรามีแต่แค่หน้าตามีผเาวมีผมเท่านั้นเองแต่พอเรียนั่งเรื่องของร่างกายถึงจะรู้โอ้ร่างกายเรามีอะไรต้องเยอะแยะมีต้อง32สส่วนที่เรามองไม่เห็นกันอันนี้ก็เหมือนกันใจของเรามีอะไรเยอะแยะไปหมดเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้เรื่องตัวของเราเองว่าเป็นยังไง ไม่รู้ว่าส่วนที่ดีเป็นอะไรส่วนที่ไม่ดีเป็นอะไรส่วนที่เราควรจะเสริมสร้างเป็นอย่างไรส่วนที่เราคนน euh วรจะกาจัดเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้เราก็ปล่อยให้มันอยู่ไปตามตามธรรมชาติของมันตามเหตุตามปัจจัยมันก็มักจะสร้างแต่เหตุสร้างสร้างแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์กับเรามันก็ไม่ยอมสร้าง แต่ถ้าเรามาศึกษาธรรมะแล้วพุทเจ้า ก, ก็บอกว่าเนี่ยในใจเรามีส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ดีก็พยายามทำให้มีมากขึ้นเช่นมีทานใจใจบุญสนทานเนี่ยใจมีรักษาศีลนี้ใจมีสติเนี่ยเป็นส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีคือความโลภโกรหลงต่างๆนี่ควรจะคอยชำระคอยตัดมัออกไปให้หมดไปจากใจเพืใจเราจะได้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆ คำถามจากคุณสุกัญญาปฏิบัติวิธีใดที่ทําให้เราแยกกายกับจิตก็ปฏิบัติด้วยสติเป็นเบื้องต้นก่อนถ้ามีสติเราก็สามารถเข้าสมาธิดึงใจแยกออกจากร่างกายได้ชั่วคราวพอได้สมาธิแล้วแยกแบบสติได้แล้วต่อมาก็ออกจากสมาธิมันก็มันก็จะใจกับร่างกายก็จะกลับมารวมกันเราก็ใช้ปัญญาแยกตอนนั้น เวลาร่างกายเป็นอะไรก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องไปุไม่ต้องไปทุกข์กับมันต่อไปเราก็จะแยกกายกับใจด้วยปัญญาได้อย่างสมบูรณ์เชิญขอโอกาสสอบถามครับปฎิคุณแม่ที่มาด้วยกันครับสอบถามว่ า, ามี วิธีอย่างไรในการภาวนาที่จะทำให้มีสติอยู่บ่อยๆไม่หลงเนี่ยครับเพราะว่าเวลาหลงแล้วก็ไม่รู้ตัวครับออก็ต้องท่องพุโทโธไปบ่อยๆถ้ามีพุโทโธอยู่ก็จะมีสติลืมตาขึ้นมากลพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปในใจแล้วก็จะไม่หลงไม่ลืมถ้าไม่มีพุโทโธปั๊บเดี๋ยวใจมันก็ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เล ย, เลยหลงเลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรเมื่อไรอย่างไร ถ้ามีพุโทโธพุธโทโธจะรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังทําอะไรอยู่จะไม่ลืมพ ย, ยายามขยันพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆดูสวดมนต์ไปภายในใจสลับกันก็ได้สวดอ e ิติปิโสไปถ้าสวดเป็นถ้าสวดไม่เป็นก็ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆแล้วใจจะตั้งมั่นใจจะอยู่ในปัจจุบันใจจะไม่หลงไม่ลืม ตอนนี้ยังไม่มีคําถามเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, ห, อหนูขออนุ ญ, ญาตาถามเจ้าค่ะเราเราตั้งหน้าตั้งตาทําบุญทําความดีทําบุญลั บ, บาปชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทําชีวิตให้มีความสุขแต่แต่ไม่ต้องไปศึกษาภาษาบาลีอะไรอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะได้หลวงพ่อ ไ, ไม่ได้ศึกษาบาลีเขาก็ศึกษาภาษาอังกฤษเขาก็แปลจากบาลีมาเป็นภาษาอังกฤษ<ค>ก็เหมือนกัน เป็นเป็นความรู้เหมือนกันความรู้เราไปเรียนบาลีเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เกิดมาเราพูดบาลีไม่เป็นเราก็ไม่เข้าใจถ้าเราไปเรียนบาลีเราก็จะเป็นเหมือนนกแก้วเราก็สอนนกแก้วาแกา้วจ๋าแกา้วจ๋ามันก็ท่องได้ใช่ไหมแก้วจ๋าแกา้วจ๋าพอเอาแก้วให้มันมันก็เขีย่ยทิ้งไปมันจะเอากล้วยจา๋ากล้วยจา๋าเอกล้วยให้มันมันก็ความนักความนับไม่ต้องเรียนรู้บาลีหรอก อาจจะรู้บ้างเพราะเขาแปลบาลีมาเป็นไทยยากก็เลยเอาบาลีทับศัพท์เช่นทุกเนี่ยทุกมันกม็มันก็เป็นบาลีมาก่อนแล้วเราก็ภาษาไทยก็มาใช้ประมาณคนไทยเราโชคดีอยู่อย่างก็คือเราใช้ภาษาบาลีกันเยอะโดยที่เราไม่รู้สึกตัวภาษาภาษาที่เราใช้ภาษาไทยนี่มีมีรากมาจากภาษาบาลีแต่บางทีมันก็มี ม, มีมีปัญหาเหมือนกันเพราะบางที เรามาเปลี่ยนความหมายของบาลีมาเป็นความหมายของเราอีกทีมันก็เลยทำให้เรางงว่าเราพูดถึงอะไรกันแน่เช่นเวลาที่เราพูดถึงเวทนาเงี้ยถ้าเราบอกเวทนาน่าสงสารเงี้ยเราก็บอกเวทนาน่าสงสารแต่บาลีเดิมความหมายของบาลีเวทนาแปลว่าความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาสุ ข, ขเวทนาทุก ข, ข, ขเวทนาแต่พอเรามาอ่านเป็นภาษาไทยเราก็อตัวนี้เวทนามันเป็นอะไร ไปสงสารคนนั้นสงสารคนนี้เหรือมันไม่ใช่นะมันเป็นความรู้สึกว่าเราในตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกวันหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้แหละเวทนาเวทนาแต่พอเ ร, เราไม่ได้ใช้คํานี้ในภาษาไทยเราใช้คาว่ า, าเวทนาคือน่าสมเพชใช่เห็นใครยากจนเดือดร้อนก็สงสารน่าสมเพชเขาก็เวทนาสงสารเข้าไป หรืออีกคำหนึ่งที่เราใช้กันผิดผิดอยู่ก็คืออธิษฐานเนี่ยอธิษฐานภาษาบาลีแปลว่าให้ตั้งใจทำอะไรต่างๆเช่น ต, ตั้งใจจะมาวัดเนี่ยเรียกอธิษฐานไม่ใช่ขอให้ไปนิพพานขอให้ได้ผัวให้เมียอะไรอันนั้นมันไม่มีค ข, ขอไม่ได้ของพวกนี้ของของพวกนี้ต้องทำอยากจะได้อะไรเราก็ต้องเข้าเราก็ต้องสร้างเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นมา อยากได้อยากอยากได้สวรรค์นิพพานก็ต้องทําบุญทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็ตั้งอธิษฐานที่การรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปเดี๋ยวก็ได้นิพพานมาเองอันนี้บางทีภาษาไทยเรามาใช้แล้วแปลความหมายผิดไปก็เลยกลายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความเข้าใจผิดทุกครั้งมาว่าต้องอธิษฐา น, ขอ น, นขอนู่นขอนี่ไม่ใช่ให้อธิษฐานที่เหตุ จะนั่งจะนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงดีจะเดินจงกรมกี่ชั่วโมงดีอย่างเงี้ยเรียกว่าอธิษฐานให้ให้ตั้งที่เหตุอธิษฐานที่เหตุจะไปอธิษฐานที่ผลผลมันเกิดมาไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุเ่เราต้องทั้งอธิษฐานสร้างเหตุให้มันมีเหตุพอมีเหตุแล้วผลมันตามมาเองเหมือนปลูกข้าวอย่างเงี้ยอยากจะกินข้าวเราก็ต้องอธิษฐานไปที่ขอให้เราขยันปลูกข้าวกัน พอเราปลูกข้าวไปเดี๋ยวสมเดือนข้าวมันก็งอกมาแล้วก็มีข้าวกินกันแต่ท่านจะนั่งอธิษฐานขอให้ข้าวงอกขึ้นมาเองเี่ยมันไม่งอกออกมาเองมันไม่มาหรอกเข้าใจไหมเนี่ยภาษาภาษาบาลีที่เราเอามาใช้เป็นภาษาไทยนี้บางทีมันความหมายมันมันเปลี่ยนไปนะเราต้องเข้าเข้าใจเวลาที่เราอ่านบางทีมันมันมันมันใช้ใช้เหมือนกันแต่ความหมายมันต่างกัน คำถามจากคุณช้างมีคนนำลูกหมามาทิ้งไว้ที่บ้านหาคนรับเลี้ยงตามเฟ e บุ o กก็ไม่มีคนมารับเลี้ยงถ้าผมไม่สามารถดูแลมันได้จะนำไปปล่อยจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปเราก็เพียงแต่ขาดความเมตต า, าเทานั้นไม่ได้บุญถ้าเลี้ยงมันก็ได้บุญเหมือนทำบุญทำทานเราเวลาที่พระบิณฑบาตผ่านมาหน้าบ้านเราไม่ใส่บาตรเราก็ไม่บาปแต่เราไม่ได้บุญ แต่ถ้าเราใส่บาทเราก็ได้บุญท่านถ้าหมามันผ่านมาหน้าบ้านมันไม่มีข้าวกินก็ให้ข้าวมันกินมันก็เหมือนกับใส่บาทให้กับพระนั่นแหละหมามาขอข้าวกินแล้วก็ให้ข้าวมันกินไปเราก็ได้บุญแต่ถ้าเราไม่มีข้าวให้มันกินเราก็ไม่ได้บุญแต่ไม่บาตจะบาปก็ต่อเมื่อเราไปทุบไปตีมันนไปทําร้ายมันมันถึงจะบาปคําถามจากคุณบับเบิ การทำบุญแบบปิดทองหลังพระกับการทำบุญแบบอวดสังคมจะได้บุญเท่ากันหรือไม่คะคือบุญที่เราบริจาคไปมันก็เท่ากันเนี่ยเกินบริจาคร้อยบาทคนจะรู้หรือไม่รู้เราก็ได้บุญร้อยบาทเท่ากันแต่ถ้าเราทำล้วอดนี่มันแทนที่เราจะได้ได้ความสงบได้ความสบายใจเราอาจจะได้ความเครียดขึ้นมาเพราะอยากให้เขาเห็นว่าเราทำ แล้วพอเขาไม่เห็นก็ทําให้เราเสียใจขึ้นมาได้งั้นอย่าทําไปเพื่อให้คนอื่นเขายกย่องสรรเสริญยินยอเราเราทําเพื่อให้ความใจเราสบายใจเราสบงบระงับจากความโลภของกิเลสตัณหาน ะ, ะแต่ถ้าเราทําแล้วอยากให้คนนั้นรู้อยากให้คนนี้รู้เนี่ยมันเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาแล้วเป็นกิเลสขึ้นมาแล้วพอเขาไม่รู้แล้วเขาไม่ยินดีด้วยก็เสียใจขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมา นุ่งขออนุญาตทมต่อเจ้าค่ะจากที่ชอบทำบุญเยอะเนี้ยค่ะอย่างเขาเขาอวดว่าทําบุญเยอะแต่เวลาเขาไปที่สถานที่ไหนๆเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมาแบบทาให้คนอื่นลําบากใจหรือสร้างความเดือดร้อนเนี้ยค่ะแล้วมันก็จะมันจะก็ส่งผลไม่ดีกับเขาไหมคะ ก, ก็อยู่กับว่าเขาเป็นคนเขามีความตั้งใจจะทาให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหม ถ้าไม่มีความจ้งมันตั้งใจมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาของเขาคนหนึ่งอาจจะเดือดร้อนขึ้นมาเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เ้าเดือดร้อนเองมันก็อยู่ที่ว่าถ้าเขามีเจตนาว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้แล้วทําให้คนเขาวุ่นวายกันองนี้อันนี้ก็มันก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้มันก็เท่ากับการขาดความเมตตาเวลาคนมีความเมตตานี้ทำอะไรจะพยายามไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ ไม่เบียดเรียนผู้ไม่ทําให้ผู้อื่นาต้องทุกข์กายทุกข์ใจจากการกระทําของเราแต่ก็ไม่บาปนะถ้าท่าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าเราไปทําไปแล้วเขาไปเดือดร้อนกันขึ้นมาเองโดยที่เราไม่มีความตั้งใจที่จะทําให้เขาเดือดร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าทำแล้ว เ, เดือดร้อนเราก็ไม่ทําก็ได้เราก็เปลี่ยนวิธีทาําใหม่คำถามจากคุณกิติมา อุเบกขาในพมวิหารสี่กับอุเบกขาในสามโพชงเหมือนกันไหมคะอันเดียวกันนะอันเดียวกันโพชงก็เป็นสมาธิโพชงอุเบกขานี่ก็เป็นสมาธิคำถามจากคุณจักรวาลเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราสามารถอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรของลูกเราได้ไหมครับ คือการแผ่เมตตานี่มันไม่ได้แผ่ด้วยการนั่งเฉยๆคนเดียวแผ่เมตตาต้องมีการกระทาเช่น ม, มามาหัวจรจัดมาแล้วเราแผ่เมตตาแล้วก็เอาเข้ามาเลี้ยงนี่เราแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็แผ่ไปให้ใครก็ไม่รู้อย่างนี้มนไม่ได้แผ่ไม่ได้เป็นการแผ่อะไรอย่างใดแต่แผ่ต้องมีเป็นการกระทาเวลา มีใครเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเราช่วยเขาเนี้ยเรียกว่าแผ่เมตตาให้เขาได้คำถามจากคุณพีโกจิตเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณขันหรือวิญญาณขันเป็นส่วนหนึ่งของจิตคะวิญญาณเป็นส่วนของจิตจิตนี้เป็นตัวที่มีวิญญาณมีเวทนามีสัญญาสังขารคำถามหมดเจ้าค่ะคำถามหมดก็ท่า น, นี้ก่อนก็นแล้วกันนะ